บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปผลที่เราต้องการระดับสมถกรรมฐานคือจิตใจที่มีความสงบจากอำนาจของกิเลสที่มีห่วงระยะเวลาสงบเพิ่มขึ้นโดยลำดับ จะสงบช่วงขณะหนึ่งขณะหนึ่งที่เรียกว่าคณิกะสมาธิแลอผลคือความสงบนั้นเกิดเพิ่มปูนมากยิ่งขึ้นที่เรียกว่าอุปจารสมาธิจนมีความสงบมั่นคงอยู่ได้เป็นเวลานา น, านๆที่เรียกว่าอัปนาสมาธิผลที่ปรากฏภายในจิต ก็จะมีความประณีตขึ้นไปโดยลำดับที่เรียกว่าเป็นฌานเมื่อกล่าวโดยส่วนเหตุส่วนของเหตุก็คือการตั้งสติระลึกเพ่งดูอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งให้จิตใจมีความสงบจากทิวร์ทั้ง5ประการนั้นก็เป็นฌานส่วนที่เป็นเหตุและฌานส่วนที่เป็นผล ก็คือในขณะนั้นจิตใจเรามีกุศลเกิดขึ้นปรุงแต่งจิตแตป่ปริมาณของกุศลเหล่านั้นจะลดน้อยลงไปโดยดำดับซึ่งกหมายความว่ากิเลสก็ส ง, งบลึกลงไปโดยดำดับแต่ความส ง, งบในระดับนี้สามารถที่จะดำรงอยู่ภายในจิต ของบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจริญสมาธิอยู่แต่เมื่อออกจากสมาธิไปแล้วไปกระทบกับอารมณ์ข้างนอกที่กระตุ้นให้เกิดความรักความชังหรือความกลัวกิเลสก็ผูกขึ้นได้อีกการปฏิบัติในแนวของสมถกรรมฐานจึงเป็นเรื่องที่จะต้องทำบ่อย แล้วก็มีความต่อเนื่องรูปแบบส่วนใหญ่จริงๆก่อนสมัยพุทธกาลท่านจะเข้าไปอยู่ป่าคือหลีกเรนไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนบุคคลเป็นวิธีการตัดกระแสของอารมณ์ไม่ให้จิตไปรับอารมณ์ที่มีลักษณะกระแทยกระทันสูงแต่ท่านก็อยู่ด้วยการเจริญสมาธิ จงกลุ่มกระทำกรรมฐานไปเรื่อยวิธีการของพระพุทธศาสนาเองเมื่อมาถึงจุดนี้ก็พยายามปฏิบัติต่อไปจนจิตใจสามารถสงบจากกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงแม้จะมีอารมณ์กระแทกกระทันมาจากข้างนอกก็ไม่หวัวห่นไหวในอารมณ์เหลนั้นแล้วท่านก็ออกมาอยู่ร่ม กับบุคคลคืออารมณ์ปกติทั่ ว, วไปแต่ว่าจิตใจท่านไม่สับสนวุ่นวายไม่ผูกขึ้นไม่ฟุบลงไม่ยินดียินร้ายกับอารมณ์ที่ปรากฏรอบด้านนั่นคือขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติทัศนะอารมณ์ที่เรียกว่าองฌานก็มีอยู่ห้าประการ ถึงกระทำกับนิวรณ์หาประการหมายความเมื่อองค์ชาญเกิดขึ้นนิวรณก็ต้องสงบออไปแต่ในช่วงใดขณะใดจิตมีนิวรในขณะนั้นองค์ชาญก็เกิดขึ้นมาไม่ได้องค์ชาญประการแรกก็คือวิตกเป็นความสุดนึกที่เป็นไปในทางกุศลอย่างเดียว คนนี้เพินสังเกตว่าตามปกติแล้วความคิดเราก็จะแหวงไปแหวงมาที่เรยวคิดดีบ้างไม่ดีบ้างจำนวนาศาสนาถ้าคิดไม่ดีท่านก็เรียกว่าเป็นอกุศลวิตกคือตรึกตรึกด้วยความไม่ฉลาดอากุศลก็คือไม่ฉลาดเด่นๆทาไมจึงเรียกว่าไม่ฉลาดเพราะว่าเวลาเนียวนึกตรึกนึกไปในลักษณะนี้ ใจิตใจที่เคยปกติก็จะมีความเร่าร้อนรุ่ดแรงของความพยาบาทบ้างแร ง, งความโลภ บ, บ้างแร ง, งความคิดในทํานองเบียดเบียนต้องการให้เกิดความพิบัติเกิดร้อนแตกทําลายสูญหายลมตายเกิดขึ้นแก่คนแก่สตัตว์ทั้งหลายความคิดในลักษณะนั้นไม่ต้องออกมาข้างนอกมันก็เกิดความเร่าร้อนแล้ว แต่โดยพื้นฐานจริงๆของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นจะรักตนถนอมตนต้องการให้ตนอยู่ดีมีสุขไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่มีอันตรายแต่ความคิดในลักษณะนั้นเป็นการดึงเวรนดึงภยัยดึงอันตรายเข้ามาสู่ตนถึงอันที่จริงแล้วเราจะคิดก็ได้เราไม่คิดก็ได้เพราะมันไม่ใช่เรื่องของจิตเป็นสิ่งที่ แปรปลอมมาหรือเป็นสิ่งที่จอดมาแต่มาแล้วก็แทนที่จะเป็นคุณเกิจิตเธอก็เป็นอันตรายแกิจิตจิตที่เนียวนึกตึกนึกในลักษณะนี้ต้องก็ถือว่าเป็นอกุศลคือไม่ฉลาดบอกว่ารักตนถนอมตนแต่กลับทำตนให้เดือดร้อนบางครั้งความคิดก็อยู่ในแนวของกุศล คือึกนักึกนึกที่จะสะละละวางถ่ายถอนผ่อนคลายความกำหนัดความยึดติดในอารวมทั้งหลายออกไปสึกนึกคือมองดูคนดูสัตว์ทั้งหลายด้วยความเมตตาคนนี้เราสามารถตรวจสอบจิตใจของเราได้ว่าเรามองคนรวมทั้ราคนสองคนมานั่งใกล้ๆ ก, ก, กันคนหนึ่งเรามองเขาด้วยเมตตาคนหนึ่งเรามีความโกรธความผุกอาฆาตพยาบาทถึง เวลามองคนที่เราเมตตาหรือคุยกับคนที่เราเมตตาอยู่เราจะยึกเย็นทีนี้ว่าสบายใจพอใจสบายใจยินดีแต่ถ้ามาคนที่เรามีความอาฆาตพยาบาทและจะร้อนแม้แต่นั่งเฉยๆก็ร้อนยิ่งมองเห็นเขาก็ยิ่งร้อนยิ่งพูดจาสนทนากาันก็จะยิ่งร้อนใหญ่ อาการทางจิตเหล่านี้ก็แสดงเห็นได้ว่าเราก็ไม่อยากพูดอยากคุยกับคนที่เราไม่ชอบเราอยากพูดอยากคุยอยากพบเห็นคนที่เราชอบนั่นคืออาการของจิตที่ถูกปรุงด้วยกุศลและอกุศลแสดงว่าความคิดที่กรอบด้วยเมตตานั้นเป็นความคิดที่ฉลาดเราคิดแล้วมีความสงบเยือกเย็นมีความสบายใจมีความสุขใจบังเกิดขึ้น ธรรมเหล่านี้ท่านเรียกว่ากุศลและวิตุคือเนืยอนึกสึกนึกด้วยความฉลาดหรือของคนที่ฉลาดบางครั้งในทราบข่าวคราวเรื่องราวต่างๆมีคนมีสัตว์ประสบความวิบัติเดือดร้อนบางเรื่องก็อยู่ในวิสัยที่เราจะช่วยเหลือได้เราก็ลงมือช่วยเหลือ บางเรื่องก็อยู่ไกลเกินไปเราไม่อยู่ในวิสัยที่ช่วยได้ก็รู้สึกตั้งความปรารถนาที่จะเห็นเขาหลุดรอดจากความเดื อ, รอดร้อนนั้นจิตใจก็จะมีความเยึกเย็นมีความสงบแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องมีปัญญาเข้ากากับคืออย่าไปเอื้อมมากเกินไปจนถึงกบิต ก, กังวลเช่นว่า ได้ข่าวคราวใครประสบอันตรายเราก็ติดตามข่าวเหล่านั้นอย่างกระชั้นชิดแต่ก็วิตกกังวลเดือดร้อนอย่างนั้นไม่ใช่ลักษณะของกรุดนดาแต่ก็ใกล้ไปทางโศกโศกะคือความสุขโดยเพียงได้ตั้งใจที่จะเห็นเขาหลุดรอดจากความทุกข์ที่กำลังประสบอยู่แต่โดยไม่ได้ปักใจว่าต้องต้องหลุดรอดให้ได้ต้องพ้นไปให้ได้ เพไม่ได้อยู่ในวิสัยที่เราจะไปลงมือทำทำจากนั้นได้ตั้งจากเหตุการณ์อยู่ไกลเกิดไปดังจะเห็นว่ากระแสความคิดทั้งสองกระแสนี้ฝ่ายหนึ่งเป็นอกุศลฝ่ายหนึ่งเป็นกุศลแต่วิตกที่ปรากฏในชาตินั้นจะเป็นวิตกที่เป็นกุศลน้อมนำเข้าสู่ความสุขความสูงของความปีติ และจิตใจก็จะอยู่ด้วยอารมณ์เหล่านี้ถ้าหากว่ายัางไม่ปฏิบัติให้เพิ่มพูนสมาธิมากยิ่งขึ้นแต่การที่สองวิจารคือการไตรตรองการพินิจพิจาราก็คือนำเรื่องที่เป็นกุศลตอนนั้นเองมาเพ่งพินิจมาพิจารณาไปเรื่อยๆเป็นอาการที่ต่อเนื่องกัน หมายความว่าเมื่อใจเหนียวนึกตรึกนึกที่จะถ่ายถอนผ่อนคลายความกำนัดความเพลิดเพลินในลมทั้งหลายก็คิดปีนิพจารณาถึงคุณค่าสิ่งที่ดีงามซึ่งจะเกิดขึ้นจากการทำจิตให้กิเลสประเภทนี้เจือจางอบาบางลงไปในเรื่องของความเมตตาหรือความไม่พยาบาทความไม่บีดเบียนก็จะคิดนึกในลักษณะอย่างนั้น เมื่ององค์ถามทั้งสองประการนี้เกิดขึ้นนิวรณสองข้อคือทีน้ำมิทะความง่วงเหงาหานอนซึ่งซึมน้งงอยเงาต่างๆก็จะบรรเทาลงไปสงบไปจนถึงก็หมดไปแต่ไม่ใช่หมดไปอย่างสิ้นเชิงเป็นลักษณะของการตกตะกอนหรือสาบเท่าที่วิตกซึ่งเป็นกุศลยังมีอยู่กิเลสประเภทนี้เกิดขึ้นไม่ได้ท่านนั้นเอง เมื่อวิจารณ์บังเกิดขึ้นความเคลือบแครงสงสัยในลักษณะต่างๆที่เคยมีมาแล้วในอดีตรหรือที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก่อนหน้านั้นก็จะสงบระ ง, งับลงไปแต่ก็ไม่ใช่สงบระ ง, งับอย่างสิ้นเชิงคือไม่ถึงกัะดับกิเลสได้แต่เป็นการสยบหรือสงบไว้เท่านั้น ทุกคนที่จะตัดความเครือบแคลงสงสัยได้จริงๆต้องมีตั้งแต่พระอริยบุคคลระดับโสดาบันขึ้นไปที่เรียกว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความเห็นซึหมายความว่าปริมาณของปัญญาได้เกิดขึ้นภายในจิตใจของท่านมากพอที่จะขจัดความเครือบแครงสงสัยให้ออกไปจากจิตใจได้ทาให้ศรัทธาของท่านมีความมั่นคง หนักแน่นไม่ถูกโยกคลอในใหวันไหวไ้ด้วยอารมณ์ต่างๆเพราะเราจึงเห็นความต่อเนื่องที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของพระยะบุคคลระดับโสดาันคือปริมาณของความสงบที่เพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจจนกลายเป็นองค์ชาคือวิจารวิจารนั้นเป็นลักษณะของปัญญา แต่การไตรตรองพินิษพิจาจรณาเฉพาะช่วงนี้คือเป็นเป็นเรื่องของปัญญาแต่อวิจารนั้นก็อาจจะเป็นโมหะหรือเป็นอวิชาก็ได้แต่ามันเป็นเริ่มที่อกุศลแต่ในกรณีที่เป็นกุศลมันก็เป็นปริมาณของปัญญาที่เพิ่มบูดมากยิ่งขึ้นในช่วงแรกท่านก็ขจัดความเครียดแครงสงสัยได้แต่การขาจัดกิเลสขององค์ธรรมะที่บังเกิดขึ้นนั้น เราจะเห็นว่าคล้ายๆกับเรารักษาโรคจุด ท, ที่เราต้องการบาบัดจริงๆนั้นได้หายไปแต่ก็มีผลที่ต่อเนื่องคือในส่วนอื่นๆก็พลอยดีตามไปด้วยนั่นก็แสดงเห็นว่ามันมีผลในทางข้างเคียงคือเกื้อกูลต่อร่างกายในส่วนอื่นๆต่อไปนลักษณะเหล่านี้เราก็สังเกตได้โดยๆเรื่อง ในส่วนขององคุศลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่มันตรงกันข้ามตรงนั้นเองเพราะมาถึงจุดหนึ่งจิตใจของท่านก็จะสมบูรณ์ด้วยปัญญาในระดับที่สามารถวิิจัยตัดสินทุกเรื่องที่ผ่านมาชีวิตของท่านได้ ก็ทําให้ท่านเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าอย่างไรท่านก็เห็นอย่างนั้นก็ขอให้เกิดศรัทธาบั่นคงไม่หวั่นไหวในพระรัตนาสตร์ไก็ทําให้ท่านเข้าถึงฝั่งคือปณิพนานอย่างแท้จริงเราจะคือพรานขึ้นไปตามที่ทราบกันนั่นคือเราจะเห็นถึงผลที่ต่อเนื่องคือสืบเนื่องกันไปที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ ที่การจเจริญสมาธิมาโดยลาดับท่นเด็กระการต่อไปคือความปีติความเอิอบอิ่มใจที่บังเกิดขึ้นในส่วนของฌานนั้นเป็นผลมาจากจิตที่สงบหมายความพอความสงบมันเกิดอาการเหล่านี้มันก็เกิดมันเกิดสืบเนื่องมาจากจิตที่สงบถ้าจิตไม่สงบอาการเหล่านี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้ อาการของปีตินั้นปรากฏในกายบ้างในจิตบ้างบันทีก็ต่อการแต่ตัวสเสวยอารมณ์จริงๆคือจิตจะมีลักษณะโปร่งเบาสบายเ อ, อบิบอิ่มปรากฏขึ้นภายในจิตคล้ายๆกับดีใจบันทีก็มีอาการขนลุกทูชันขึ้นทั่วร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย บางทีมีลักษณะเย็นผู้ป้า บ, บัางเกิดขึ้นในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือว่าเกิดขึ้นในทุกๆส่วนบางทีก็ลักษณะซู้ซาอุป้าบเกิดขึ้นเป็นพักๆคล้ายๆกับคลื่นคล้ายๆกับลมที่เกิดโชกมาอาการเหล่านี้เมื่อเจริญสมาธิมาบางครั้งอยู่ในระดับสงบ ที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิมันก็เกิดได้แต่บางทีเราป ร, ร่าลบกุศละธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่น้อมนึกหรือเหนียวนึกได้ว่าเราได้เกิดประพฤติได้เกิดกระทาอย่างนั้นแล้วเกิดปีติเ อ, อื้อิ่มใจเกิดมาก็เกิดความฟูขึ้นของจิตมีความ อ, อื่อิ่มมีความยินดีปรากฏขึ้นภายในจิต พิติเมื่อบังเกิดขึ้นแล้วก็จะทาหน้าที่ขจัดพยาบาทนิวรซึ่งมีอยู่ก่อนหน้านั้นให้สงบลงไปแต่ในขณะเดียวกันทั้งสามข้อที่ว่าไปนี้ในชีวิตประจำวันเราก็สามารถสร้างให้ได้สร้างให้เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่งเช่นในส่วนวิตกก็พยายามควบคุมความคิดเอาไว้ไม่ให้คิด นึกไปในทางที่ไม่ดีเห็นว่าความคิดจเัเกะเผลอออกไปในทางที่ไม่ดีเราก็ดึงความคิดกลับมามันก็ดูแล้วคล้ายๆเราขับรถคล้ายๆเราเดินเขียนถ้ารถมันจะฉลับจะเสียการทรงตัวจะสลับลงไปตกถนนหรือไปกินเลนด้านใดด้านหนึ่งขึ้นเราก็เวี่ยงกลับมา สมุนโภอะไราลากลับมาก็พยายามคุมให้ไปในทางแล้วมีการแสดงว่าการควกคุมอารมณ์ของคนเรานั้นที่จริงเราก็คุมได้เพราะเราคุมสิ่งที่เป็นรูปวัตถุใหญ่ๆขนาดรถยนต์ขนดใหญ่ๆเราคุมได้หรือคุมใหญ่กว่านั้นก็คุมได้ที่จริงการควบคุมได้มันเกิดขึ้นมาจากจิตที่วินิจฉัยในกรณีนั้นๆว่าควรจะทำอย่างไง รถจะแลบไปซ้ายไปขวานี่ควรจะทำอย่างไรรถที่มันไปตรงได้ดีแล้วควรจะทำอย่างไรในขณะนั้นสิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นก็มีปัญญาเข้ากับกลับอยู่ตลอดทำให้เกิดอาการวินิจฉัยตัดสินได้ทันแต่ก็ป้องกันปัญหาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมาได้ วิจารณ์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันในชีวิตประจําวันของเราก็พยายามจึ ก, ร, กรึกเฉพาะส่วนที่มันดีคิดถึงเรื่องอะไรที่ไปเพื่ออะไรคิดแล้วจะได้ประโยชน์อย่างไรคือเรื่องบางเรื่องคิดไปก็เท่านั้นเองก็ทําให้เราแก่ไปเฉยๆคิดเรื่องนอกเรื่องไปหนึ่งชั่วโมงเราก็แก่ไปหนึ่งชั่วโมงคิดสองชั่วโมงเราก็แก่ไปสองชั่วโมงก็แก่ไปเรื่อยๆในช่วงนั้นก็กลายเป็นการไร้าสาระ ทำให้ชีวิตซึ่งสามารถสร้างเพิ่มภูมสาระได้ก็กลายเป็นช่วงเป็นพ่วงดีไร้สาระไปเรื่อยๆตรงนี้ก็ต้องใช้ปัญญาข้อคำกับวินิจฉัยอารมณ์ที่เรากระทบก็พยายามพินิจพิจารณาแต่ตรองหรือแม้แต่เล็กเปลี่ยนสนทนาอะไรก็นอะไรกันคือคุยกันในเรื่องที่จะโน้มน้อมเข้าหาความสงบ เรื่ี่เคยแสดงเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่ากัถาวัตถุคือเรื่องที่ควรนํามาคุยกันเพราะอะราพราะคุยแล้วมีความเพลิดเพลินมีความชื่นชมยินดีจิตใจเราเองก็โน้มน้อมเข้าหาความสุขในลักษณะเหล่านี้เราจะพบว่าแม้ในเรื่องอื่นๆเราสังเกตได้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวดึงจิตเราไปในทางใดทางหนึ่งก็แล้วแต่ เช่นสมมติว่าดูหนังดูละครที่มีความรุนแรงในด้านใดด้านหนึ่งจิตใจเราก็ถูกปลุกราวให้เกิดความรุนแรงไปด้วยจะมีภาพการนำเที่ยวในสถานที่สีสงบมีถ้ำมีป่ามีภูเขามีท้องฟ้าสายลมแสงแดดอะไต่างจิตใจของเราก็จะน้มน้อมเข้าหาความสงบ มีปูเจนียวัตถุสถานที่ต่างๆเช่นน้าเชี่ยวสังเวชนียสถานต่างๆมีการที่นํามีการบรรยายที่ใจเราก็โน้มน้อมตามก็ไปคล้อยตามไปก็จะประสบความสงบ ค, ความเยือกเย็นมีศรัทธาภาษาธะในคุณของพระัตนตรัยเพื่อปูดมากยิ่งขึ้นเป็นต้นจะเป็นการแสดงเห็นว่าอารมณ์ที่มากระทบข้างนอกนั้นมีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงทางจิตอยู่มาก แล้วก็จริงแล้วเราก็ควบคุมได้พยาไม่ไปคิดไปพินิจพิจารณาถึงเรื่องที่ไร้สราระทั้งหลายเมื่อทำได้อย่างนี้ความปีติความเ อ, อืบอิ่มใจก็จะบังเกิดขึด้นแต่ในขณะเดียวกันเนเื่องจากความเ อ, อืบอิ่มใจนั้นสามารถขจัดพยาบาดออกไปจากใจได้ เวลากระทบอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่ยินดีความโกโรธความหมงุดหงิดความรำคาญจนถึงเหตการณเป็นอาฆาตพยาบาทได้ก็ตามก็พยายามสลัดอารมณ์เหล่านั้นที่เกิดขึ้นในขณะนั้นแล้วก็สลัดยัในขณะนั้นแต่ถ้าทาได้โดยการไม่รับแล้วก็ยิ่งดีแต่การไม่รับตามปกติแล้วเราก็มักจะใช้ในแนวของอุเบกขา คือควบคุมความคิดเราแม้เกิดยินดียินไร้ายในอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์เรานั้นมันก็สักแต่ว่าอารมณ์เพราะจึงสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตของเราในแต่ละวันนั้นมากมายก่ายกองมาเกิดแต่ก็มีตกค้างอยู่ภายในใจไม่กี่เรื่องแต่ละวันแต่ละวันก็แสดงว่ามีอารมณ์เป็นจํานวนมากที่เราไม่ใส่ใจไม่สนใจสิ่งานั้นก็ไม่ตกค้างอยู่ภายในใจ สิ่นี้ตกค้างอยู่ภายในใจก็อยู่ที่สิ่งซึ่งเราไปใส่ใจไปสนใจไปเนียวนึกไปตรึกนึกเรื่องเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ดับไปแล้วในแง่งความเป็นจริงก็เกิดขึ้นในขณะนั้นก็ก็ดับไปในขณะนั้นแต่ว่าใจเราไปจําไว้แล้วก็นํามาปรุงคิดนํามาคิดปรุงขึ้นมีลักษณะคล้ายๆคนตายแล้วแต่เราปลุกขึ้นมาหลอกกลัวเรา เมื่อก็เกิดปัญหนานานาประการเป็ลักษณะอาการกลัวผีนั้นที่จริงเราก็กลัวคนตายแล้วที่จริงเขก็ตายไปแล้วแต่เราก็ปรุมขึ้นคล้ายๆเขาจะลุกขึ้นมาจากโลงจะแสดงอาการกิริยาท่าทางอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นก็ว่าไปในผลสุดท้ายมัก็ออกมาเป็นความบาดกลัวความสะดุ้งความตกใจการนอนไม่สงบเป็นต้น ในการปลุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็ดับไปแล้วในอดีตก็จะมีลักษณะอย่างนั้นปัญใจที่เหนียวนึกตึกนึกในลักษณะจึงมีปัญหาดังนั้นในตอนแรกเนี่ยกระทบอารมณ์ที่มากระทบท่านจะใช้ในแนวเบกขาเป็นไว้แต่เรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับเราเพื่อเราจะได้รับประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้น เราพยายามจะไปหาคนควาศึกษาแต่ส่วนนี้จะสร้างปัญหาแก่จิตใจเราก็ใช้ความเพ่งพินิษดูมองเข็นสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงว่าควรจะสนใจหรือไม่ควรสนใจถ้าไม่ควรสนใจเราก็เลิกสนใจเราแสดงว่าสามารถรักษาจิตใจของเราเอาไว้ไม่ให้ถูกความโกรธความพยาบาทครอบงำมากเกิดไ ป, ปทิตีเออปีเมือเกิดขึ้นได้ไง่ แต่ถ้าไปเก็บสะสมอารมณ์เหล่านี้ไว้มากก็มีปัญหาตำนองกระคากับบ้านเรือนที่สอบปอยให้สกปรกมากจกกวาสักทีมันก็มีปัญหาต้องสูญเสียเวลามากแต่ถ้าเราพยายามปัดกวาดอยู่เสมอกวาดในแต่ละวันแต่ลวัก็ง่ายรองการรักษาสุขภาพจิตมันก็มีลักษณะจิตเดียวกันจะรักษาจิตได้มีปีติคือเอออิ่ม อยู่ได้นั้นต้องพยายามขจัดอารมณ์ที่เป็นขัดสนต่อจิตแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีวิธีอีกระดับหนึ่งซึ่งเป็นการเน้นใช้ปัญญาเป็นหลักหมายความว่ายัางไงหมายความอารมณ์ข้างนอกเนี่ยเราแก้ไขอะไรเขาไม่ได้ก็เป็นอย่างที่เขาเป็นก็มีอย่างที่เขามีเราไปวุ่นวายอะไรเขาไม่ได้ เป็นอารมณ์ที่เราไม่ชอบเราจะทำลายก็ไม่ได้อารมณ์ที่เราชอบเราจะไปหยิบฉวยออกมาก็ไม่ได้มันผิดศีลทั้งนั้นเพราะนั้นทำยังไงจึงจะสงบใจจากอารมณ์ที่เป็นข้าศึกเหล่านั้นเพราะแนวปฏิบัติในแนวนี้จึงทรงสอนไว้เป็นอันมาก จ่ต้องการในบุคคลสามารถรักษาความคิดที่เป็นกุศลการพิจารณาที่เป็นกุศลได้มีจิตใจเอิบอิ่มคือมหน้าควาปิติคือมีจิตใจเอื้อิ่มเย็นมีความสงบชัมม้นแรกแต่ก็ทําได้ยากก็คือการหลีกเล่นจากอารมณ์นั่นเองเราจำลองอาการเข้าอยู่ป่าอย่างที่ว่าแล้วเราก็ทําได้อย่างจํากัดจําเกียร์เอาก็จริงมันก็ไม่มีป่าให้ไปอยู่อย่างนั้นด้วย ประการที่สองเราต้องเกี่ยวข้องต้องพบต้องเห็นแต่ก็ใช้การไม่สนใจในกรณีที่จะเป็นค่าศึกตัดใจเพราะอะรเพราะอารมณ์ที่ผ่านมานั้นมันก็เป็นมิตรก็ได้เป็นศัตรูก็ได้แต่ก็เฉยๆก็คือไม่แสดงอะไรด้านใดด้านหนึ่นนองออกมาก็ได้ประจุดเน้นที่าต้องการก็คืออารมณ์ที่จะเป็นค่าศึก พยายามหลีกหนีไม่ใส่ใจไม่สนใจแม้จะพบเห็นข้าวก็ตามก็เราไม่ใส่ใจไม่สนใจก็จบทุกนั้นททีทนี้ในจุดหนึ่งทุงสอนในแนวของการใช้ปัญญาเป็นหลักหมายความว่าอารมณ์เหล่านั้นอาจจะเป็นข้าศึกก็ได้แต่เราก็มีปัญญามากพอที่จะหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้น ซึ่งตัวอย่างเหล่านี้ได้เกิดขึ้นพระอริยบุคคลทั้งหลายตั้งแต่เราพุทธเจ้าเป็นต้นไปก็ได้ใช้อารมณ์หนั้นมาความว่าตัวอารมณ์แล้วก็เป็นขั้สึแต่ท่านก็แสวงหาประโยชน์จากอารมณ์นั้ น, น, นได้ตามปกติแล้วถ้าระดับนี้มาความปัญญาเอามากพอเราคุ้มครองใจเราได้โดยใช้ประโยชน์ได้ทั้งสามอารมณ์คืออารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีและอารมณ์ที่เป็นกลาง อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงใช้อารมณ์คือคนแก่คนเจ็บคนตายที่เป็นอารมณ์กลางๆคือเป็นสภาวะธรรมมธรรมชาติเป็นเตเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้สัจจะแห่งชีวิตที่ตกอยู่ในกฎของธรรมชาติธรรมดาห่บบนั้นในขณะเดียวกันก็ดูจากสมณะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสงบคือความความสงบจากานาของกิเลสทั้งหลาย เป็นตัวผลักดันให้เกิดความกระตือร้นที่จะมีจะเป็นอย่างที่ท่านมีท่านเป็นในขณะเดียวกันบางครั้งเป็นคำกล่าวร้ายเป็นคำใส่ร้ายด้วยประการต่างๆสึ่งตาหรืจิตใจมันคงพอมันก็จะมองในแนวที่เป็นศัตรูแล้วก็ลดตัวเองไปทะเลาะกับเขาก็ด่ามาเราก็ด่าไปปัทุสไ้ายมาก็วปัทสุ้ายไป ตัแล้วคล้ายๆจะเป็นผู้ชนะแต่จริงแล้วก็เป็นผู้แพ้แพ้ต่ออำนาจของกิเลสอาํานาจของอารมณ์เรามีความจําเป็นอะไรที่จะต้องเป็นอย่างเขาเป็นเมื่อเราเห็นว่าเขาไม่ดีแล้วถ้าเราไปทําอย่างเขาทําเราก็กลายเป็นคนไม่ดีตามเขาไปด้วยเช่นมีคนพูดหยาบกับเราเราก็โกรธบอกอันนี้พูดหยาพูดเป็นดีเราก็หยาบตอบไป กระแสนี้ว่าเราก็มีค่าเท่ากับเขาเป็นบาปอากุศลเท่ากับเขาแ ต, แต่ในขณะเดียวกันท่ากับปัญญาเราเพิ่มขึ้นในจุดนั้นเราก็ใช้ปัญญาพินิพิจยาหินโทษของการกล่าวคาําจักแล้วก็สำรวมระวังไม่กล่าวอย่างที่เขากล่าวก็เป็นการปิดกั้นกระแสบาปกระแสอกุศลไว้ได้ แัะแนวการปฏิบัติกรรมฐานนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าแนวของสมถกรรมฐานนั้นจะมุ่งความสงบคือปริมาณปัญญาไม่มากนักจำเป็นจะต้องหลีกเล่นอารมณ์ที่เป็นข่้นศึกต่อใจเสียก่อนเราไม่เชื่อมั่นว่าจิตใจเราจะมีความมีกำลังตัานทานเข้มแข็งอะไรแต่บนแนวของวิปัสสนานนจะไม่สนใจอารมณ์ แต่พร้อมใช้ประโยชน์ได้ทุกอารมณ์อารมณ์ของวิปัสสนาจึงมีในส่วนของธรรมชาติก็มีในส่วนกุศลก็มีในส่วนของอกุศลก็มีเรานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป